หลวงปู่ล่าหรือว่าพระครูจันทสมานคุณท่านเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ซึ่งอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยของเจ้าอินทวิชยานนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7กับเจ้าอินทะวะโรรสสุริยะวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่8 หลวงปู่ล่าเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้นเจค่ำเดือน11ตรงกับวันที่22กันยายน2441ที่บ้านปงตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โยมพ่อชื่อนายเงินโยมแม่ชื่อนางแก้วนามสกุลบุญมาคำเหตุที่มีนามสกุลนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่เล่าให้ฟังบอกเพราะอุ้ยเนี่ยชื่อบุญมาแม่อุ้ยชื่อคา เมื่อมีการตั้งนามสกุลกำนันก็เลยตั้งให้เป็นบุญมาคำหลวงปู่ล่าเป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัวจากจำนวนพี่น้องสี่คนและเมื่ออายุได้หนึ่งขวบก็ต้องกำมพลาพ่อโยมแม่ก็เลยได้เลี้ยงดูลูกทั้งหมดเพียงลำพัง หลวงปู่ล่าเล่าให้ฟังบอกว่าการเลี้ยงลูกสมัยก่อนนะั้นนี่คือต้องช่วยกันทำงานช่วยกันเลี้ยงวัวหากใครทำผิดก็จะถูกเคี่ยนตีทำพลาดก็ถูกแอกและเมื่อหลวงปู่ล่าอายุได้8ดขวบโยมแม่ก็นำไปฝากกับครูบาปินตานะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าตึงให้เป็นเด็กวัด หลวงปู่เองก็เลยมีโอกาสนะคะได้เรียนหนังสือเป็นครั้งแรกกับครูบาอินตาซึ่งสมัยนั้นจะเรียนหนังสือพื้นเมืองจนอายุได้11ปีค่ะก็ได้บวชเป็นสนัมเณรในช่วงเข้ารุกขมูล รุกขมูลก็คือเข้าไปอยู่กรรมในป่านะคะแล้วก็การเข้ากรรมหรือว่าอยู่กรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นประเพณีเข้าโศสสานกรรมซึ่งเป็นประเพณีที่สําคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งมักจะกระทํากันในบริเวณป่าช้าที่อยู่นอกวัดค่ะและพระสงฆ์ผู้ที่เข้าบําเพ็ญโศสสานกรรมจะต้องถือปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อต้องการบรรเทากิเลส ต, ตัณหา ในขณะที่บวชสา ม, มเณรอยู่นั้นนะคะหลวงปู่ล่าไม่ได้เรียนแต่เพียงหนังสือพื้นเมืองเท่านั้นแต่ว่ายังได้เรียนหนังสือไทยไปด้วยโดยเรียนกับพระอุ่นซึ่งเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอู่สายคํามในเมืองเชียงใหม่แล้วก็เรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนประจํามวลทนพายัพซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนยุพ ร, ราชวิทยาลัยค่ะ แต่ว่าครูบาปินตาเนี่ยท่านไม่สนับสนุนให้พระเนนเรียนหนังสือไทยจนในที่สุดหน้าพระอุ่นก็เลยต้องเลิกสอนหลวงปู่ล่าศึกษาเล่าเรียนทางอัครวิธีแล้วก็รรมาปฏิบัติกับครูบาปินตาเรื่อยมาจนกระทั่งอายุได้สิแปดปีจึงเดินทางเข้าไปจาพรรษาอยู่ในเมืองเชียงใหม่เพื่อเรียนนักธรรมที่วัดเชตุพน หลวงปู่ล่าเรียนนักธรรมที่วัดเชตุพนได้เพียงหนึ่งปีค่ะยังไม่ทันที่จะสำเร็จก็ต้องเดินทางกลับวัดป่าตึงเพื่อปรนิบัติครูบาปินตาที่ชราภาพหลวงปู่ล่าก็อยู่ปรนิบัติครูบาปินตาจนกระทั่งล่วงเข้าปี2467 ครูบาปินตาก็มรณภาพลงด้วยวัย74ปีซึ่งขณะนั้นหลวงปู่ล่ามีอายุ27ปีนะคะหลวงปู่ล่ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าตึงต่อจากครูบาปินตาเมื่อปีพุทธศักราช2467แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอ่อนใต้เมื่อปี2467เช่นกันค่ะ นอกจากนี้เนะคะเมื่อปี2477เมื่อครูบาสีวิชัยท่านได้สร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพโดยเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2477จนถึงวันที่30เมษายน2478รวมระยะเวลาในการสร้างนะคะ5เดือนกับอีก22วันค่ะ ในครั้งนั้นหลวงปู่ล่านะคะท่านก็ได้เดินทางไปร่วมสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพด้วยหลวงปู่ล่าก็เล่าถึงความยากลําบากในการสร้างถนนไว้ในหนังสือประวัติวัดป่าตึงบอกว่าการสร้างถนนมีการแบ่งงานกันตามกําลังของคนผู้คนที่ไปร่วมเป็นชาวบ้านจากวัดป่าตึงทําได้5วาใช้เวลา14วันส่วนพวกที่มาจากเมืองพานทําได้60วา จนเมื่อปี2504หลวงปู่ล่าก็ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูจันทะสมานคุณซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุ63ปีก็มีคนพากันยกย่องหลวงปู่ล่าค่ะว่าหลวงปู่ล่าเองเนี่ยท่านสามารถที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ และก็มีเรื่องเล่าอยู่นะคะว่าวันหนึ่งฝนตั้งเขาจะตกหนักหลวงปู่บอกว่าให้พระเนเนเนี่ยรีบออกจากกุฏิเพราะว่ากุฏิเก่าแล้วก็ซุดโซมมากแล้วก็มีต้นลานขนาดใหญ่อยู่ข้างกุฏิด้วยนะปรากฏว่าวันนั้นค่ะฝนตกหนักกิ่งก้านลานก็กิ่งของต้นลานเนี่ยก็หักโค่นลงมาทับกุฏิพังพระเนนที่อยู่ในวัดทุกคนปลอดภยัยแล้วก็พากันยกย่องสรรเสริญว่าท่านมีตาทิพย์นอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องเล่าอีกค่ะว่า เช้าวันหนึ่งเวลาประมาณตีห้าหลวงปู่ล่าให้พระเนนรีบทำความสะอาดวิหารเพราะว่าจะมีแขกมหาที่วัดครั้นพอเวลาหกโมงเช้านะคะพระครูสีธรรมนิเทศจเจ้าอาวาสวัดสันปากคอยก็นำญาติโยมมาด้วยเหตุนี้ค่ะชาวบ้านก็เลยเรียกท่านว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะคะ มีเหตุการณ์นึงคุณผู้ฟังซึ่งครั้งหนึ่งมีคณะผู้มากราบนมัสการหลวงปู่ล่าเกินจำนวนที่แจ้งความประสงค์ขอของขลังจากท่านแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะท่านก็แจกกันครบทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์ก็เลยเชื่อกันนะคะว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของท่านไม่เพียงเท่านั้นนะคะอดีตครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านป่าตึงท่านนึงค่ะเล่าเพิ่มเติมบอกว่า เช้าวันหนึ่งประมาณตีห้านะคะหลวงปู่ล่าได้ให้พระเนเ น, เนเนี่ยรีบทำความสะอาดวิหารปรากฏนะคะว่าประมาณ6โมงเช้าพระศรีธรรมมิเทศจะเอาวาดวัดสันป่าคอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็นำคณะญาติโยมมาหาท่านที่วัดจริงๆ หรือเวลาที่ชาวบ้านทําของหายหรือว่าถูกลักขโมยเมื่อมาถามหลวงปู่ล่าท่านก็จะบอกนะฮะว่าให้ไปตามทิศนั้นทิศนี้จนกระทั่งได้ของคืนมาทุกครั้งแต่หากท่านห้ามนะคะว่าไม่ต้องไปตามนะเพราะว่าจะไม่ได้คืนก็จะเป็นจริงตามที่ท่านพูดตามนั้นนะคะปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ มาหัวเมืองเหนือพระองค์ท่านก็ได้เสด็จนมัสการหลวงปู่ล่าที่วัดจนเป็นที่เอิกกรเิกประชาชนจำนวนมากค่ะแห่แหนไปต้อนรับพระองค์ท่านอย่างฟ้ามืดมัวดินเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จกลับหลวงปู่ล่าก็ได้ถวายพระพรแด่พระองค์ซึ่งคราวนี้ดูเหมือนว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเองจะตั้งใจเป็นพิเศษนะคะปรากฏว่าหลังจากล้างรูปขณะที่หลวงปู่ล่าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นั้น ได้มีแสงสีส้มแดงๆนะคะออกมาจากหน้าผากของหลวงปู่ซึ่งอันนี้ก็แสดงถึงกระแสจิตของหลวงปู่นะคะที่ตั้งใจแล้วก็อัดแน่นอย่างเต็มที่แก่พระราชาผู้เป็นธรรมราชาแห่งแผ่นดินสยามนะคะ หลวงปู่ล่าเจริญอายุมาถึง95ปีก็ถึงแก่มรณะกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2536ยังความเศร้าสลดใจมาสู่พระสงฆ์ ส, สัมเณรศรัทธายาติโยมทั่วไปและต่างก็มาเคารพศพตั้งแต่วันที่ท่านมารณภาพจวบจนปัจจุบันนี้ศพของหลวงปู่ล่าถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ตั้งอยู่บนกุฏิไม้สักที่งดงามในวัดป่าตึงหลวงปู่ล่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยหลวงปู่ล่าเองท่านได้ถือปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแม้แต่พระบาทสุนเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้โปรดกล้าพระราชทานน้ำสงฆ์ซึ่งยังความปรับเปลื้มปิติยินดีมาสู่สิทธิอนุสิตแม้ว่าหลวงปู่ล่าจะมรณภาพจากไปแล้วก็เป็นเพียงการจากไปแต่สรีระร่างกายเท่านั้น ส่วนคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเอาไว้หาได้ดับไปด้วยคุณงามความดีที่หลวงปู่ล่าได้บำเพ็ญมาก็ดีคุณงามความดีที่สิทธิยานุสิทธิทั้งหลายได้บำเพ็ญมาก็ดีและคณะศรัทธาญาตยมบำเพ็ญมาก็ดีขอจงเป็นพละปัใจจัยให้ดวงวิญญาณของหลวงปู่ได้ประสบสุขในสัมปรายภพด้วยเถิด